วชิราเวทีนะครับย้อนกลับสวัสดีนะครับญาติโยมแล้วก็ครูอาจารย์ครูละกอรวมทั้นนนงน้องๆนักศึกษาที่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่อนามัชวานะครับได้รับ ความปรานะครับจากท่านอาจารย์นะครับที่ได้มานะครับเพื่อที่จะมาพูดนะครับมาบำเพ็ญธรรมให้พวกเรานะครับชาวพิศวาลกับาลนะครับได้ได้ได้เรียนรู้นะครับและก็ได้จัดานนะครับสิ่งที่สําคัญด้านขนานี้นะครับเราต้องยกยินยนะครับท่านอาจารย์นะครับท่านก็ได้ทำโครงการขนาดมากมายนะครับต่อ คนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรตินะครับกำลังสลับเวลาพิธีนะครับก็ขอนามสการนะครับท่านอาจารย์บอวชรเวทีนะครับเพื่จะมาบรรยายธรรมใ ห, ให้น้องๆ น, นะครับแล้วก็ให้พวกครบาอาจารยนะครับแล้วก็ีเกยทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะครับข อ, อ เรียนเชินะครับเริ่มพิธีการนะครับในการบรรยายทางมในงานนี้ต่อไปนะครับวันนี้พระอาจารย์ไม่ได้มาลูกเดียวมาร่วมกับพระลูกเสจชาวสมิตเแลนลูกเครื่องไทยสมิตเซอแลน์อีกหนโ่งลูกน่งทาานขวาเป็นที่ท่านคารินแลนส ทายาทสุดทางนิยมท่านแต่งตัวต่างอย่างพระอาจารย์นั่นเองเพราะว่าท่านมีกปัตติของท่านท่านอยากเป็นครูบาพวกเรารู้จักครูบาไหมเราได้ยินชื่อครูบาสิ่นิชัยไหมเออพระกมีหลายแบบนะรางแบบพระอาจารย์เนี่ยจะเป็นราธรรมดาธรรมนาอันนี้ครูบากริวมรุ เป็นตัวจริงเข้มจริงไม่มีสตันแมนสตันมองอ่ะถ้าอยากเป็นครูบาที่บูจริงเรียนจริงฝึกจริงเข้มจริงตัดกิเลสได้จริงก็เลยมีจีวรที่เข้มก็ติดเน้นกนเพื่อจะบอกวฉันเอาจริงแล้วเว้ยไม่ชิดักเรอจอบที่ไหน้ี่เน้นตัวเนี้ยช่ใสกอกข้าวอันนี้ลูกประคำ เมื่อกี้น้องนิสิตคนหนึ่งนนเห็นท่านก็ชี้มุกชี้เูสึกก่าเข้าไม่ใช่หรอกไอ้เนี่ยรูปธรรมเลยรูปกรรมใช่าาอชาจารสมานม่เดี๋ยวท่านจะมาช่วยท่าเดี๋ยวท่านจะเป็นตัวหลักในวันนี้ด้วยและไม่แค่นั้นอาจารย์ยังมีพระเอกละครอีกคนหนึงจะมาพูดคุยกับน้องๆในช่วงตอนท้ท า, นายด้วย ขอเชิญชวนคุณยมคุณวรูคริสเตียนเป็นข้างบน้นกตัวไดนึมขอให้คุณคริสเตียนกับสหรัฐอเมริกาคริสเตียนเป็นครูสอนภาษาังกตของอาจารย์มาจากติมบารี่างพ่อเป็นปรเฟสเตอร์คือเป็นศาสตราจารย์ เรียนจบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอัจฉริยภาพหลายด้านทั้งปัญดาทั้งการต่อสู้การป้องกันตัวพูดไทยพูดเปรีพูดญี่ปุ่นได้ท่องคลื่นอะเรก็ไดจะเป็นคุณสาตว์นันการได้ไม่ถึงจังเกเอรแมวมองไปที่เร่ชนตะวันแล้วไปเห็นบอกว่าเป็นอย่างนี้มันต้องเล่นหลังแล้ว ตอนนี้ตัวเราได้เรโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ a n g เพราะวา้าตวนี้ไม่ต้อง cast แล้วก็รู้เว่าเป็นเพศไดมรับันี้จงมีผู้ช่วยเนคนนั้นนเราวันนี้เป็นเรื่องวิ วิจายเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญในประเทศขั้นเมืองที่เจริญแล้วนั้นที่ไนเป็นเรื่องที่สําคัญมากมากทำไมประเทศที่แพ้งสงครามโลกครั้งที่สองอย่างญี่ปุ่นและยเยอรมันเสามารถสร้างชาติได้อย่างรวดเร็วตายมันเป็นประเทศที่มีความเฉริญก้าวหน้าและกลับมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อีกครั้งหนึ่งอย่างเหลือเชื่อ และรับของสองประเทศเป็นวิกต้าสร้างชาและการสร้างคนให้มีวินัยเขาทำได้สำเร็จอเมริกาอยู่กันมากกว่า300ร้ล้านคนใช่ไหมที่เตือนเป็นบริกาไม่เคยมีการปฏิวัติเลยนะตั้งแต่สร้างประเทศเป็นปึกแผ่นเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วเัีหาไม่เคยลั่นก็ทำออกมาปฏิวัติ เราอยู่กัะทค่หยิบเบอร์เดียว60หลาย้านคนรถทอนนยาวที่สุดในโลกปฏิวัติบ่อยที่สุดในโลกาว่าทำไมถึงไม่จบไม่สิ้นปัญหาอยู่ที่หลักการทอ่หนึ่คนอันนี้ปักพ่อเราเป็นเช่ที่สหรัฐริกาหลายปีก่อนมีลูกสาวของจอร์แอนวิลสันขับรถเกินพิกัความเร็วที่กฎหมายกำหนดไ และเมื่อตำรวจตรวจจับพบว่ามีน้ำมอมาในร่างกายตำรวจจับทุกทํพันบนต้องทำพันบน48ชั่วโมงโดยไม่มีข้อยกเว้นเห็นไหมกฎต้องเป็นกฎเขาถึงเป็นมะนาว ห, หน้าของโลกายแต่ในที่แกล้ที่ท่านคาร์เรอยู่เป็นประเที่ประกอบสุข อันดับต้นๆของโลกโองค์กรสำคัญๆของโลกไปกองอยู่ที่ไหนก่อนไม่ว่าจะเป็น N, U.N. UNESCO WTO EU ธนาคารกลางของโลกโอง ค, ค์กรอะไรๆที่เป็นหลักประกันสินค้าของโลกไปกองอยู่ที่สวิตเซอร์นทัมแล้วประเทศจีนมันถูกสรุปดีลสวยเลนสามเด็กเขียวดำมรกต สกุลลตก็อร่อยนี่ยนี่คือประเทศที่ผมจะบอกสุขเขาทำได้กันเลยนี่ไงพระอาจไปแสดงภาพนทรรศการเกือบทุกปีละรอบแปดีมานีพะอาจาไปมาแจดครั Stone ้งโดยเฉลี่ยปีละครับมีวันหนไปที่นิทรรร หลวงพ่อโนนน่ตั้งรที่นัน้ น, กน า, าก็เล่าเรื่องรากาฟังท่านบอกว่าท่พผมมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เอตอนนี้ผมลอกข้าแล้วลอกครับยังไงหลวงพ่อลอกมาเป็นไททิส่วนไหนส่วนที่เป็นศีลก็โดนใจแต่หัวใจยังเป็นไทแก้แต่ส่วนนิสัยที่ไม่ดีท่านสอนมาท่านมันลอกทิพยที่สวิตเซอร์แลนด์ลอกยังไงหลวงพ่อ พอว e e. ันนึงโยมนี่หมดที่ไปชัดเลยโยมก็บอกว่าลวงพอรถวัดมาเองนะโยมไปรับปทานหลงเพราะว่ามันยุ่งแน่ๆเลยถ้ายอมไปไม่มีใครเป็นตัวหลักอยทั้งนี้หลว่อก็บอกสบายมากโยมเดี๋ยวจะมาไปเองแล้วก็โทรศั์เรียกหลวงจิตก็รังคนนึ่งมาให้กับรถวัสขับรถไปากฏว่าไปได้พักใหญ่หลวงพ่อก็โทรศับไปถามหลวงยอมบ้านโยมยังไม่ไปไกลเท่ เช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไปอลราทิศเลยบ้านอยู่แล้วนี่ยก็รังพาไปทิศใต้เยหวงพ่อก็บอกอยู่กลับกลับเดี๋ยวนี้นี่มันสมงสสิแล้วเดี๋ยวพระไัตเทพนะฝรั่งเงียบาวตเบตเงียบลากรถสิ่ไม่ได้ยินเหลพ พ่อได้บอกได้ยินับลงแล้วทำไมไม่กลับรถล่ะหลวงพครับมันยังไม่ถึงที่กลับรถคุจะไปรไปเรมัามันจะถึงยเนี่ข้าไปไม่หันฉันเดนนี่ารังหันมาบอกหลงพ่เราต้องรอให้ถึงที่กลับรถก่อนหลวงพ่อเขนี่หลวงพ่อน มีสายคนใทมาแล้วนี่หลวงพ่อนะก็รังสรรน์ปัญหาแล้วไงไม่ใช่ประเทศไทยนะประเทศไทยมัน่ายะเช่อไหประเทศไทยมันระบหรือเป็นนักิดนนะไปที่ไหนทุกทุกอย่างนันรับรึอย่างอรแต่ไปเป็นั่นนี่หลวงพ่อนะก็รังนั้น์ัญหา เ, ออเขาเขามาด้วยหางตาแล้วใครอยู่ยิ่งใหญ่มาจากไหนอ่ะพระก็ชี่ดิฉันหน่อยประเมิน เ, ม เ, เสมยกึรหลวงพ่อบอกกลับรถแบบนี้ทำไม่กลับหลวงพ่อมีปัญหาแน่มีปัญหายัางไงไปไม่ทันสั่เส็่เรื่องฉันเป็นเรื่องเล็กสาหรับหลวงพอ่อหลังก็บอกอ่าก็เรื่องเล็กหรือรีบทำไม ก็เล่าฉัดเรื่องไงไม่ได้ฉาญมันจะเป็นเรื่องใหญ่ต้าวเราดีมวงพ่อจะบอกต้าวเลยก็ต้องรอก ว, ว่าจะถึงจุดยเดินีเพิยี่สิบนาที็พรักของหวพ่อครับที่นี่เป็นสิสระเราอยู่ใจกลางสุดห้าหลวงพ่อจกะกลับรถเหลือตำรวจจับหลวงพ่อ และที่สำคัญนะครับหลวงพอ่ออย่ามาทำอะไรไทยๆ ท, ที่นี่โดนไทยจุเม่หลวพ่อชอบพูดแรงนะเนี่ยหลวพ่อเงียบเลยเขากลับรถไปที่สิ่เดือนจนถึงตุลกลับรถเขาถึงกลับหลวพ่อบอกว่าตั้งแต่ น, นั้นมาเลิกซ่าไปเลยเพราะต่อให้ไม่มีตำรวจคุมไม่มีใครกำกับ ก็ไม่มีใครทำอะไรกฎที่วาเอาไวา้พระอาจารย์อยู่ยุโรป6เดือนบรรยายนิติาประเทศในหงเดือนนั้นเจอรถเสียวชนกันครั้งเดียวที่อิอตาลีถนนทางไม่มีตำรวจตั้งด่านไม่มีไม่เชอไม่มีตำรวจเพราะนั้นไม่เห็นตำรวจเลยแต่รัฐก็ทำไปกฎหมาย ภาบ้าวันมาสายมาถึงบ้านเลยขบรเรือเพิเคุณจะสุกถ่ายรูปีนี้คณะารยไปเอที่เมืองนี้ยมเรย์พยาํามจะไปไม่ถึงโอ้เร่งมากแล้วคันใดนั้นก็ได้เห็นแสงใสวาออกมาจากในทุมเมย ยมไม่เห็นมันมันพุ่งเข้าข้างพร้าจารนีโชกตาแล้วใครแอบถ่ายรถเราถามโยมโยมบอกพระอาจารย์สิบ้าวันี้ยมโดนแน่แล้วเขาปรับหนัเม่กเลยขับรถเรยวนี่ปรับหนักมอกเลยหนัมกมักคือปรับนี่ได้นเข็ดเลยคือกฎหมายของที่นั่นมีมาตรฐานเดียว ดังนั้นคนทกคนเนี่ยต่อให้ไม่มีตำรวจเขาก็จะทำตามกฎหมายเพราะกฎหมายก็ไปอยู่ในใจเรียบร้อยแล้วฉันั้นที่ในสังคมที่เกิดขึ้นอยู่กับสำนึกเขีนกฎใหญ่นี่คนไม่มีจิตสานึกก็เท่านั้นเรา่งจิตสำนึกจึงเป็นร่างฐานของวิทย์ในอันนี้เราจะเล่าให้ท่านเพได้เห็นภูมหลังประเทศที่เจอแล้วและพัฒนาละว่าทขาทำได้แั่ไรในการสร้างชาติในการสร้างคนให้ประสบความสเ แล้วราาพระอาจารย์กนมีตัวอย่างจา ก, กราพระรูปนึงซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ที่อินเดียนั้นก็เป็นไวรัสที่มีไม่นานแล้วพอทมานอยู่บงไทยท่านก็เสียคนท่านก็มาเสียคนเลยเพราะอะไรเพื่อนสุรายาเสพติดผู้หญิงท่านท่านรวยของพวกนี้ก็เลยเป็นเครื่องง่าย ท่านก็ใช้ชีวิตที่ไม่มีนี่ไปจนเรียกว่าพ่อแม่ของท่านนั้นเจ็บชาวัสียใจที่ที่เหท่านเป็นลูกเอาแต่ตอนนี้พ่อแม่ของท่านเนี่ยยแม่มาบอกพระอาจารย์ยมมีความสุขที่สุดเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วท่านเพ่อากการพุทธิกาาิดมาเป็นกับพระอาจารย์นะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนคนเดียวกันที่ทำให้พ่อแม่เสียใจ แคบหลมกระดาตาวันหนึ่งพอท่านมาบวชปุ๊บท่านกลายเป็นคนหนึ่งที่ําให้พ่อแม่ร้องให้อีกครั้งหนแต่ได้วามปีบิเป็ดวินัมันเปลี่ยนท่านนะั้นทุวันนี้ท่ฉันมือเดียวฉันมือเดียวฝึกเข้มรองเท้าก็ไม่สวมห้เดือนแล้วฝึกเข้มรอเท้าไม่สวมวันนี้เกิดมาไปไปนยมาบวชพระอาจาพากันไปเดินทุดงเข้าป่า เพราะเหตุี้ไม่สวมรงนท้นท่านเดียมเสอแก้ทิ่มลึกเลยท่านคิดว่าเป็ของเนเจอเศษแก้วเทาไปเจษชึเหลือทุง <laughs> <laughs> ที่เราปวดมานนขนาดนี้มันไม่น่าจะเป็นอะไรเลยหรปดี่ล่าเ <laughs> ท้าเลยเอาี่ดยมท่านมั่นใจว่ า, าท่านคงกะปดแค่เหมืนสามเดือนะมันต้องไม่เป็นอะไร เพราะเดียวก็ปัโอ้ โ, อโอเพื่อทุอง่ง ก, กระชูยกะนอปลาปาแตกเลยปฐตามาเลยบอกมันต้องฝึกต่อไปนะและจะฝึกได้ไม่ได้ก็คือไม่ไน่าเพราะท่นแข็งเดียวอาจารย์จะช่วยให้ประจามเพราะจุด อ, อ่อนของท่านคือท่านชอบทุเรียนมีวันึ่งเราไ ม, มาเรียนภาษาด้วยกันอาจารย์ก็บอกท้าใหม่มองในบ้าน จะมองยมจะมองอะไรเป็นสิ้เวลาโยมกับปัดมองไม่ปัจเหมือนไปกปันสี่รูปพระอาจารย์ท่านคารีและผู้ดีเกิดมากปริยตอนนั้นกมดเับพอไปถึงจุดหนึ่งในตลาดโยมขายผู้เรียนทั้งแผ่เลยบอกพระทุก่เราเจอค้าสร็แล้วใ <c oughs> หม้มองไม่ปัจแต่กลิ่นมันเย้ายวนมากนะ ถ้าแต่และเรืองแต่และเรอเหลือลงจากฝาดไปมองผู้เรียนหมดยกก็หยิบอันนั้นใส่หยิบอันนี้ใส่ถ้าแต่และเรองต้องหยิบผูเรียนนะสุดท้ายจะถึงจะให้พนยกก็ไม่หยิบผูเรียนนะถ้าทำไมแต่ที่อะจานะอา จ, จารย์รองครับให้เดี๋ยวไม่ใส่แล้วซื้อมันเลย <c oughs> ด้วยการฝึกวินัยเหยียบคนแค่ไหนเราต้องฝึกใช่ไหมเราต้องฝึกให้ได้ฝึกสำเรเดี๋ยวไม่สำเร็จเดี๋ยเรามาฟังท่านเล่ากว่าที่ท่านจะเป็นพระที่มีวินัยถ้านไปเจออะไรมาแล้วทุกโลกทั้งหลายจะได้เห็นว่าคนเราอ่ะถ้าตั้งใจทําอะไรจริงๆเนั้นทําได้ขอให้เราตั้งใจจริงไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เพราะท่านเจอมามากกว่าเราเยอะจริงๆอ้าว ตอนอื่นทัพไทยน้องน้องนักศึกษาน่ะจะเลื่อนพร้อมโยนจะลืออะล่อนพอ้อมนนิดนึงนะท่านเป็นพ ร, ระลูกครึ่งสวิตเอร์แลนดและและเชงรายนูดไทยพักางไม่ได้นะพูดได้แต่ภาษาอังกฤษนะพูดออกฟังออกัอ้งการินทไทยบทใหม่ๆเนี่ครับเราหลวง่อเช่วอว่าปวดไปบทเลย บวชให้เสร็จเข้าห้องเป็นปโะตตอนเข้ามือออกมาครบรัวจะได้พูดภาษาเสฉะตอนกลางวันไม่มีใครรู้ว่าท่านพูดภาษาล้านนาได้ทั้งว่างแเคลียรกันปเปหมดเลยฉ น, บบนั้นันี้นจะเนีเป็นภาษาล้านาพทภาษาเสฉะนะระนะู้มมนม <laughs> ดีห <laughs> พราะกเราเห็เก่งภาษาเสฉกัทั้งวัอะไรไม่เชื่อเหรอเพราะการรู้นะรเนอเพราะฉะนั้น สบายเลยเดี๋ยวเอาละลเล่าให้ฟังก่อนว่าสมัยมก่อนเนี่ยพระอาจารย์ได้ยินมาว่าเออเป็นสิ่งนักเกลนยดนะเล่าให้ฟังหน่อยไปยังไงมายมังไงเป็ น, นชอบกอดใจฮัลโหลทาไม <c oughs> มากใก <c oughs> <c oughs> ลได้ไหมุ่มอาจะรย์ออดใจอ่าจสเมยพรโยงนะ The Morning Everybody ดีใจได้เจอกันน่าจะลายคนนี่ใครับอยู่เนาะคำเล่ามากันมันได้ย็นได้ยิ่กันบุ้นมันได้ยินกันแล้วมันมันชุดแล้วเออมันกระมว่าที่มันชุกมันต้องเจอแน่นอนเล ตอนสมัยก well ่อนตอนที่เขายังเป็นโยมอย่ังเหเป็นตูเตียบไม่ได้วาสุเดมมองเทียนะแต่ไม่ได้วาสุเดมมองเียอชอบไปแอลกอฮอล L3 วต่ก่อนมีมาเลิ่กเอะมาเลิกกันเถหมายความว่าสมัยก่อนมีผู้หญิงเยองเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้พังสุดๆเอาผู้หญิงมากว่านั้นได้ี่คนสี่คนนะมันเล่นยังไงไงมันต่อหน้าเขา เรื่รถปกอัไรเนีะเขาเล่นรถใหญ่ยังเยอะรถใหญ่ชุดก้อนแปดครับชุ้อตอนนั้นก็ราคาเท่าไหร่กแสนห้าเออหกแสนเจ็ดมื่นหาท่านเป็นเป็นนักซื้รถแสนเจ็ดเมืนห้าเขาเลนรถอะไรอ่ะอาวาสากีมีจ่าพกสามหกอ่แในท่านระดับเนี้ย แล้วเอมาขัดคนเดียวไม่มันไม่มีเพื่อนข้าเลยซื้อให้เพื่อนอีกสิบคนสิบคันเอามาซิ่งเป็นเพื่อนใครมากีก่ก็นั่งรเอารถไปเลยไม่แคร์ว่าท่านรวยช่วยไม่ได้นะเออใช่ไหมเพราะว่ารวยขนาดนี้ท้าจึงจมีผู้หญิงมันติดเยอะมากครั้งหนึ่งเคยเอาผู้หญิงนัน่งสอนวาจะใจสี่คน เร่าประสบการณ์ไปให้ความน่ามันน่าจะสนุกนะอาจารย์นึกแบบว่ามันนั่งยังไงมันตอนนั้นเราอยากการ I was working at Meridian ตอนนั้นเราเคยไปแอลมา I was going out with my friends and ตอนท y ่ไปเที่ยวได้ไปดื่มตลอดดื่มเลย every n i g h นะ ต้องแปใหลยลกท่าตบ อ, อว่ามาอยู่ปรงเทศไทยใหม่ทมางานโรงแรมหรูระดับห้าดาวอายุขค่สเจ็ดมีเงินเดือนจะได้สาม น, น, นทิพย์ไปต้องนับโดยเฉลี่ยเงินเนก็เยอะมากแล้วมีผีมาติดพัน 10, เยอะมากท่บอกว่าท้ามีผู้หญิงทุกคืนอ่ะจะให้พูดยังไงอ่ะ นันมีมอเร์ไซใหญ่หรือว่าอะไรหรือว่าหล่อหรือว่ารวยพวนั้นนแต่เต่่คือนั้นน่ะมีเพื่อนชวนเขาไปแอลไปเที่ยวอีทัพอยากตุไปไปจีนสาวไปช่วยเขา help out นะ because they never get g i r l f r i e n ะคือมีเพื่อนขงท่านคนนึนน่จีนสวไม่เจ ไปที่ฝากไปจีงไม่จิบก็เลยเป็นกระติ๊บเพื่นเฮ้ยคาเรนมาช่วยไอ้เนี่ยคารเรนแท้ก็เลยไปช่วยไปชื่อจีบใช่ไหมไปช่วยจีบมาให้เพื่อนแต่จีบไปจีมาผู้หญิงไปหาใครไปหาตู้นี่พอดีไปเชื่ยวไปกับตู้สีคนเพื่อา3 and I went to a girls temple ที่มีไม้ยิงสองสคนพอดีสีคนนั้นะเราก็ชวนมากิเล่ากับเราไปไหมา เขาก็ไม่ได้สนใจเพื่อสนใจแค่ตู้คนเดียวเองมาหัวเล่ามาตอนตีหนึ่งตีสามจิบิกไปบ้างจิโอ้โฮรถทุกวไม่มีรถเก๋งจุกกว่แค่ยันมากินเหล้าสมาการลบทัวร์ไซไม่ยิงสีคนใครไปด้วยรถเขาอกว่าชีสรถเวบที่ไม่ยินั่งไล่มาหลายคน it is โค้ดไปกองรถตัวคู่แต่มันมีทันตะมันอยู่ข้างหน้าเนาะกำแพงนี่แพงนี่มันเจ็บเข้ามาใช่ไหมเออโค้ดเนาหรับนักเล่นนักเล่นเนาะครั้งแรกกับมือไปยิงนั่งอยู่ข้างหน้ามันนั่งก็ได้เนาะมันปิดไม่ได้พอดีกับมือเขาถึนนางบนทันมันตคนนางบอกลังเนาะ แต่ท kind of like um ี <laughs> <Yeah S 1> <laughs> so really excited, that, ่พ so ี่กลังคนนั่งพนนถูกัาวะแค่พนัแ่เมื่อ I was g e x c i t e d นะดีใจขนาดดีใจขนาดหอมขึ้นเลยนะ นม่ทใไมเป็นลมทำไมเป็นลมตลตนนี้ตุ้งนะกตบซะเาะ I'm really sorry ตอนนี้มันเขาก็มีมีความสู้บ้านเลยอารมณ์ดีขนาดนั้นเวลาทับก็ยิ้มตลอดเจาคนนี้เขาอยากโซฮไปยิงออเท่น้ะลดอองก๊แรงเนาะวิกไปพิ่มาพิกเหนียวถึงร่อยหสิบ พบเจอไปแดงเบรกเบรคนาเบรกล่อหน้านะเด็เราเชีวล่อแรงเมยกไปไยิงสองคนอ่ะมาทางนั้นนะอุนังเสกิอลรม์ดีนะมันมันเช็กมากเลยนะพมันของเราบันกว้เฮออะไรเจออะไรเจอของเราอ่ะ มนเทมาเทมาเลยแล้วข้งหน้าก็เทสองคนถ้างหลังก็เทมาสองคนปึ๊บตกเส้นกระดาษองหนึ่งพัแล้วแปลไรโชล่แค่แบเออของขงเราครับตอนนั้นอ่ะโอ้ยลำบากมากเลยมันชิปั้งแตไงอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ลงดีโอ้ของขึ้นเลยเป็นพองยุบเลย แสดงว่าแสดงวารถรถทั้ใหญ่จริงนะสาวสุดชอบใช่ไหมแคยบินนโชว์นี่ทิ้งผักมาแลเลยลองบินในฟังเด็ ก, รรถถถกเป็นยางไงรถพุ่นนั้นน่ะตองแสเป็นยังไงเวลาสารัทเราสตยังไงผู้หญิงถึงชอบเยอะเกเวลาเราสตาร์ทอาา่ะมันออเสียบคุกจจเ้า <c oughs> เสียงมันสุภาพเนัะมากเลยมอเตอร์ไซค์มันเป็นยมอเตอร์ไซค์กระจกกระจกราคาสามหมื่นเนาะพอดีมีคันหนึ่งอ่ะที่เราขี่ไปบ้านแว้นโค้ของขี่ไปบ้านพอนีมันมีไฟแดงกับมีไ้ลุ่นเออไฟลุ่นอะไรย่างกับผมู่้วมันมีเวทลอยสื้อผ้าแต่งโ่อ โอ้โหแต่งขนาัเาก็เห็นมันจอดอยู่ขาะเขาก็จอดอยต่างข้างกันแล้วเขาก็มาได้ยังงเราเาจอดกับน้องมาได้เนาะจอดไม่ได้ดี XR ไปใจนไม่ได้ XR ไมได้เรนนะไม่ได้เร่งไม่ได้ยังก็เสียงของรถเราเวลามันดูเฉยๆวันนึก็มาอ่ะมันเสียงอ่ะมันไม่ เาด็กแว้นเด็กแว้นไปจอดใกล้ๆแล้วเป็นปิดใส่แก่แก่ก็ไม่อยากจะอวดอยู่แล้วแต่พอเจอการท้าทายแบบนี้มันจัดให้เลยก็ทั้งแรกกับหมอยาครับพอเรารู้แล้วเราทรมน์ประมาณหลายเข้าวอนนี้คดีมันมันกดแต่งขนานั้ก็ มันก็ modify ไปเรื่อยๆมากนะมันก็รอไปแดงไปเดืองยังเปนไปเี่ยวเที่มันออกตัวละปาชุบผู้ใจใจทำเงินอกอกียหในใจคิดว่าเหมืนเท่เนาะคิดว่าเหมือนชุบผนะใเกียร์นงอะปาชรถของแอวเกียร์งมันทะลอยสีสิเจ็กิมเมตรชัมงแล้ว คนบานอะโน้ตนมันกปรกเนาะเย้อสีเย้หมดถึงเน่เนาอาแต่ยัดซูมมานาะเย่ยมมากล้อยกล้อเลยวี่แสมมาเลยใส่มาปุ๊บก่อนสัเดี๋ยวซองเลยอะสุดหย่อนนะหลังจากนั้น่ะมันมีไปแดงอีกอันหนึ่งอ่ะมันช้อนเอาผ่านไปเลพอกระจก ข้างล่างสองพอเออมึนเคยแข่งกันฟัวบาเป็นกรรมที่หัวมึงอ่นมึงก็ต้องรอสไยแดงขึ้นะโอ้โฉรถเขาอ่ะตอนนั้นมันยอมเลยอ่ะเด็อเด็กมันไม่รู้ตัวมันมันกันต่อนะแต่คิดจะเปรียบเทียบคนถ้าจะเป็นสิงห์นักเด็กพอท่านมีมีรถมีเงิน คนก็มาหาตอนนั้นที่นี่ท่านก็จะกดมาไม่ไหนไม่เทีมาเตลิเพือสะกดท่านเดินเชิงรายกรุงเทระยะทาง 800-900 กิโลเมตรตามปกติรถทัวร์นั้นเชีงรายกรุงเทออกองงเยนจลองชิดถึงเชียงรายก็อกงเช้านั่นคือระยะเวลาปกติแต่ท่านเดมาสคนสะกดนเวลา6ชั่วโมง โดยเรื่องว่ามันไมดานนะแล้วป่าดานมาได้ยังไง6ชั่วโมงถึงกรานเท็ติดตาตรงโค้งเนาะกอเขาก็แสงไปด้วยแสงพุ้มเลยจำนวนก่อจานทางแรกก็ไได้จับเขาที่เด่นแค่นี้นะดานที่สองก็ได้จับกดดานที่3น่าเชอ พอรีบซัดไดแล้วเนาะตวจตพอบอกกันแล้วว่ามันแห้งเป็นสองด่านแล้วก็ด่านที่สาสุเรอเท่าไงดูนรถไวนฮะตอนนั้นสิ่งมาเลยช่ไหมอะละกุดุดของคัดเลยสุดทันเร้นมันบิเยียวเลยาะไร้เลยก็เ็เหมือนกแบบที่ว่า่านมือนการแต่เหินดานสองด ก็จะ pass the d a เขาออไปขับไปมาปุ๊บตำรวจกระโดดกระโดดออกจากรถป้นสองหน้าเลยก็ชัดดเขากดเบรคขณนั่งก็ลังฟยา ย, ยอะ่ะโอ้ยตำรวจระโดดออกมาจากท้อหมาอเอาปืน้นะ้แล้วทำยังไงตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็เ บ, บรเบรปุ๊บตำรวจมาลุ่มเลยอะ่<า>ยนะไฟสีฟ้นะาไฟสีรับ ที่ปไม่ยอม่าใันลตุมปักเดี๋วปินไว้แสแฟส์กหลังจากันตกตัวตัวรถมอรไซค์คันรถออกรถรถเลือแต่พ่เดียวก็่งไปหมรถรถแต่งมาอย่างดีเลยรถกํารชอแีลช้หายป่า หลังจากนั้นเ f t e r t h a my ตัวแฟนตัวจกระเป๋าตัวจตุ้มอินว้าวตุ้กอมันตัวเฉเด้นี่ับกูยงหลังจากนั้นมันชับต้นเลยอะอปอสิพีดีมันก่อมันก่อแย่เนอะอีกหนึ่งคนมันงหมดไปาำของพลังมันใหญ่ก็มันเป็นกังเกงมันยึดข้อเลยอะ ก็อะไรนึแล้วคือพอมันคนที่าเนี่ยบ้านเป็นข้างในพออะไรมันต้องพออะไรมันต้องผ่านเทลานี้ัะฮะเพราอเขาคิดว่าอะไรมันต้องผ่านสนาดนี้เนาะหลังจากนั้นอะรถเขาก็ไม่มีใบทะเบียน no license the p o l i c ใกล้จะเคียดแล้วเจออือ่จสังเยอะขนาดพ่อา่าดานสองไม่มีใบทะเบียนเขาก็เสียใจเขาก็โทรหาแม่แม่ไม่รู้เล d ว่าต้องทำยังไ o พอไปทะเบียนที่บ้านเราไปเทเขาพอไปทะเบียนออกพอดีนั่นอ่ะตำนวนก็เป็นคนเนื้อเหมือนกันผมพยายาม่ได้บ้านเน็กกันกับตู้ And he says it's okay. You don't need to pay anything on b a n d a Tan. But you need to. Let me drive t e m o t o r b i k e t Tanu Ki, ah, too. Tanu Tan Kok, whoa, cool man. Ki, I'll c o m o n e Start. Oh, he makes me feel so cool. So cool sound man. Ki, pay up. เมื่อก็อยู่เทยงคืนขนมไปอยู่คั้นนะผน้ยู่เที่ยงคืนุ้บุบเร็วขึ้นเร็วขึ้นี่ไปมามันจอดอีสตับอกว่าโอ้ลูกนี้สุดยอดน่าจะไล่ผูไล่ให้ข โอเคนะโอเคแลตํารวจสุดท้ายไม่จับและไม่ปรับแต่ขอเนี่นะขอลองรถท่านโอเคนะตํารวจเห็นว่าเอารถเราจนน้ำมันหมดเลยครึ่งหึ่งแล้วก็มันเดินไปครึ่งทางอ่ะมันขี่ยิ่งครึ่งของครึ่งทางนี้อะตํรวจขอได้เราจะทาเพื่อเนี่ยมาติดคุกแค่ได้ ทะเบียนก็มีเอาออกประเทศงที่ไนไม่ไม่ไม่แข่งท so ี่ไนมอเตนร์นอตสวยหมัยนู <S s ้นสวยนะสวยมักนะโอ้มอเรนอแปลขนาดนะแข่ง uh, รืเปดสองหรือเท่าทาไมมันแข่งก็นล้มาเจอมาเจอดูแลควาลอนี้ตัวอย่างเห็นไ ถ้ามีชีวิตที่ทั้งร้อแต่มันยังไม่ถึงจุดหนาแน่ขนาดที่จุดใดชีวเท่านั้นดังนั้นการทีจุดใดีวิตข้ามเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ตอนฮัทนิลเลียนที่โอเนาชาที่เชียงใหม่ซึ่งโกคนรวยทางการปกครองก็อยู่นั้นการนั้นก็ไปเจอกลุ่มถิ่นัศน์ไปเองคราวนี้เป็นไปไหนทองนั้นขึ้นโดยสุเทศ ตดยปเทศนะนั้นจากข้างล่างถึงบนเกือ 30, สบสามตึกละก็คเป็นกิโลเมตรท่นบินห้านาทีบินหนาทีเพื่อนเพื่อนๆใช้เวลาสห้านาทีซึ่งจะเข้าจนะแกบอกเพื่อใช้สิบห้ากระจ เราจะทําให้ดูว่า15เราจะทําให้หเรา15นะ ท, น ท, าาที่มันมีโค้งดับสอบเยอมนะมากโค้งยุกโคง้เโคงเวลาก็โค้งเราก็ต้อค้งแต่ท่านไม่โค้งท่านตัดตรงทุกค้งแล้วมันเกิอดอะไรขึ้นต้องเล่าเกิอดอะไรขึ้นวันนั้นอระดีบอกกัแล้วนะอัวนนะี้เด็กกัน แลบอกพ่อเยวซื้อสิบิันตัวแแบงเลตอนนั้น่ะตอนที่อนจะบสึน้องคุณมีรถมอตอรไซค์คือมอเตอร์ไซค์ค KTM 2 KTM 2แปดร้อยซีซีอะไรก็ไม่รู้พอดี When he was racing up to the mountain, ขึ้นลงไต่เวลาสิบห้านาที really fast. ต o วคน i ะไ e ่หนีผม u ปกินเหล้ามาขำเหล me, ด้วยอาหน้าตัวอาเป็นจักรเ i ่นเป็นเป a นป t ร์ตี้โ He came to me. His eyes were like that. But huh? now. เอาเ้าเงินตามลุ้นพี่จะไว้กองได้นงโน้ตพัเล่นขออะไรยก ข, <c oughs> ขึ้นม า, มนามน ย, าามาออยขกขึ้นมามบังเมธยาบ้ามาซ่อนกับเปลวอืมมันก็ดูหน้าสงสารตั้งแต่ดูยาต่อหน้าเดาต่อตด้อืตอต่อได้ต่อต า, ตอตาเนาะ เฮ้ยไอซ์เ oh. ปิดโลดนะตาปิดหมดเลยอะปุ๊บต <c ười> ื่นเลยอะแตงเปิดตาสีตึมเลยอะโอ้โหแข็งขึ้นวิ่งเร็วขนาดวันนั้นเราคงไม่บอกมันมาข้างล่างตัวมันเดงสั่นอยู่มันใจเต้มขนาดที่เร็วขนาด really fast and after that ตู้กับไข่ร้องไข่แข่งกับมันไข่ชนะมัน พ่อมานั่งที่วันอาทิตย์เราแต่งกันขึ้นในกรุเทพซิกกุบมุล and then after that เปิดทื่อยู่ onda cb 1,300 อูจั๊กซอกดูยันโอ้เออ onda cb 1,300 แต่งหมดเลยนะสองข้อออกมาจากทางลัง and then he I was trying to raise up the start l up ก็ขึ้น อ so cool. ๋อ <diary> ป oh, ั๊บขึ้นโดยมันขนาดเวลาเข้าโค้งปึ้มีโค้งอีกอันหนึวันครึ่งก็เป็นโค้งยาวแล้วโค้งยาวนั้นน่ะโอ้เรา เราชอบเข้ากับสองไล่กันไม่ต่อใช่ไหเอาสอบลงนี่สอบแลกด้วสอบแลกด้วนะเพราะเรามีชุดอกอาเมอร์นนะตอนน้ะเราเล็กเ<ว>สียงอะไรนะอเสียงจดบิ๊บกบจดนะดรถกระบะบิ๊กคราชนะ ฟังดูแบบระเบิดเลย like explosion ต <Boom. S 2> <chocolate> ่างเด่นนั้นนะบุมระเบิระเบิดนะเห็นไหมนักท่องเทียวนั้อยู่เชิงดอยสุเทพนั้นได้ยินเสียงระเบิดนั้นหมดเลยอะแล้วเรเติมที่ไหวไหวดอยเจดีย์บดอยสุเทพนั้นกําลังเติมเติมแรถทัชจนกรถกระบะบุม ยืนนที่นนบ้านพิการทาระบบรถไฟรถยาวสองเมตรเลยพอชนแค่เหลืเอเท่าไรเหลือแค่ล้อเอลันเอแต่แอนเชียสนะเครอยูอ่ด้านลอนะ่อนนะอยูต่ตอลันเลยอะอยู่พุ่งเลยอนะรถยานะสองเมตรอนะพอไปบวกกับรถพิการหรือสอกอนนสอเดียว S <S 2> <S 2> ในชุดหนังทั้งหลายที่มากันกะเป็นที่รู้กักันนะปอกันอยู่รอยมีนหมรอยไม่มีกัอนปีี Company, when I wanted to look at my motorbike จะรุจูปไปพอรถมอเตอร์ไซค์รถกขึ้นมาอย่างข้างฟ้าตกอีข้างหนึง่งเอะอะไรก่อันแคปเปอเข้าใจไหม พอรถมันล้มอ่ะกุ้งเดือดเดือสอบเดียวท่านก็ยันายลุกขึ้นมายังไม่ดูตัวเองว่าเป็นอะไรนะขอไปดูรถก่อนอ่ะดูใจรถเลยเต้นรถแต่พอรถ้ะมาขึ้นล้มลงไปท่านยังไม่รู้ว่าขาหักสองข้อนยังไม่รู้พอรุกขึ้นมาแล้วก็ตกมาอ่ะแอร์ไก่เส้ดาว ก็ยกแขนขึ้นยกแขขึ้นก่นปุ๊บมันมันลอยจีเลยลอยเป็นขาเลยลอยจีเลยช่างเลยขวาขวายกขึ้นมาแล้วมันไปแบบนี้ละมันมันอย่างนี้เลยเนาะแล้วมก็ได้มันตกเนาะตกอย่างนี้ตกอย่างนี้เลยเนาะแล้วยกขึ้นมาแล้วมันไปไนอย่างนี้เลยเนาะ โรเป็นเล็กเรพักสองต้นตอนนั้นเนี่ยกดเจ๊เนี่ยเขาก็บไปทาปัญหาของของคอยที่บอเราดูควาขยาแกมันกับไป shaking my leg around นะโอ้โหมันขน่ะมันเนี่ยเจ๊เตี่ย because the adrenaline ขอนเขาเนาะเออมันเวลาอนายมันชาย เขาเจาวเพื่ออะไรเพื่อความสนุกมั้งนมันใครร้องกได้เป็นอยงมเคยอนเนี่ยเืล์แต่นั่นนี่มันก็อยู่ตรงอย่างนี้เขาไม่ไม่ไม่ที่ไม่อะไรอ่ะเวล์ถ่ายอยู่ข้างล่างก็อยู่อย่างนี้นิ่งๆสบวันนี้มันอยู่อย่างนี้ลองดูมันกไปไปคนลังหลังจากนั้นหลังจากนั้นสอคนที่ขับรถกระบะออกมารถของเพื่อน ลูกโนแสงเลยยุบเข้าไปข้างในเลยอ่ะเลยเป็นอุโมโเลยเนาะรถรถกลับบ้านแล้วเปยนยนกลับบ้านเท่าอีรีโอส่ะรถนเจ้กแป้งแปแปแสีแปรถใหม่รถเก่ารถเก่ากายเป็นอุโมคบตึกรุบไปข้าง Not my d a u g h t r s t a d on h e t o s who n I ask? Eh, brother, b r o t h e o away. n t j n Oh, don't join. Nah, my mother say, you can drive so fast as you want. n a you will never fly. You may see uh. the king i n Eh, the king also u t he went w a n t bin. But he l o k h e Nah, t h e r t จะบินเร็วไปเพื่ออะไรเ็ว bon yeah, oh ่ไหนมันก็บินไม่ได้หรอกแต่พอวันนั้นชนก็เหมือกันเนียนึกโอ้วันนั้นอะเวลาวันนั้นเรบินได้เลยนบินนกมในใจเขาคิดในใจเพ่งจักเพ่งนี่ก่เอาลอในใจนะอาร์มาเกล้า อาเป็นเลยนะเลยอะโอ้โหสุดยอดเลยหลังจากนั้นะหลังจากนั้นทุกทีับรถกระบะออกมาทต้องเป็นอะไรตอนนั้นเขาอุปสรรคเดียวนาองน้องแม่เด้่อยู่เซ็งฮักเนาะแล้วูุปสรราเขาบอกว่าหักขาหักขา คุยหน้าสอบผมมียายถามกระงังน้อกน้องเป็นคนพม่เป็นคนไทยเนี่ยใใที่ใ่ไทยต้จะาทานกูมาลำทาพ่อกูนี่เจ็บานาแล้องไปาทา น, นูชั่ชาติยอะะไร่ะคนมาช่วยคนมาช่วย เ, วย เ, เยบี๋ยวจะถามว่าเจ็บตรงไหนใช่ไ ปัญอพูดไทยถึงเมอพอเราพูดไม่ชัดอนะ่้หักท่น ก, ก็บอกว่าตัวหาแก่แล้วก็าขาหักอ่ะท่านบขาหักจะตายเลยพูดไม่ชัดพอพูดอย่างนี้คนที่มาชกอกอ๋อนี่าาาทำไไ้เหรอาดักเลทนที่จะถามกขาามาถามกสักชางเนี่ยอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่สาคัญ แล้วมันมาถึงจุเปลี่ยนในชีวิตของท่านเพราะอะไรตอนที่ท่านสนบท่านลืมไปว่าพันธีคนสุดท้ายที่ทุ่มที่สุดในใจคือพ่อคับพ่อมีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่มาลงที่โลกวัดเพราะอะไรถ้าโลกขับพรออักจากบ้านแม่บอกว่าไปเจอมันได้สองที่ในโลกนี้นหนึ่งโรงพยาบาสลสโรงพัก <c oughs> เจอมันแน่นอนถ้ามันหายไปนะ แม่นอนแค่หลับพคือถ้าลูกเก็บก็จะจาก บ, บ้านไปแต่ลูกก็ไม่เก็บเพราะว่าป่วยก็มีคนมาดูแลอยู่แล้วเป็ น, น ค, คนห น, นูเลยใช่ไหมแต่วันนั้นไม่เหมือเจอมใช่ไหมไปนอนโรงพยาบาลเท่า น, นั้นเกิดอะไรขึ้นแม่มาเยี่ยมแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนั้นอ่ะทั้งแรกก็ไม่เท็จเราะก็เข้าโรงพยาบาลเออแข็งขักเนา มันก็ยังไม่ได้สงสารพ่อกับแม่เทียตอนนั้นเราเป็นที่ยาสุดเลยเที่ยาดูดลายชนิดนะต่างชาติดูโอพิวเมตดูเฮีโรอีนก็ดูดยาบ้าก็าูาดฝันกลดูดระมุดเลยพรามันอยู่กับจบลกลบมอเอร์ไซเนาะอยู่กับพวกนี้นะ มันโดดเพื่ออะไรทำไมมันต้องโดดมันมีความสุคดีอ no so ้มันสุกยังไงมันมีเงินมีรถมีงานมันยังไม่สุกเลยนี่ก็เวนไอโกอ้าส์นะเวลาที่รามอเตอร์ไมันขนาดอ่ะมันมันนามันสุขนะมันด้เกมเลยนะมันได้เกมมันไม่ใช่ชีวิตนะ ไม่กลัวตายทำไมไม่กลัวเพามันโดดเก่าแล้วมันโดกตัวเองอ่มันเอายมามำมอบเพลย์ก็ตายก็ไม่กลัวไม่คิดว่าเขาไม่ตื่นเต้นมันก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิด Never was interested นะอย่าอยู่กับเพื่อนตลอด and never was a l o m e ก็คือยู่บ้านสักปีเลยเป็นปีหายเลยอ แม่กับพ่อของผู้อยู่ในเสษ ย, ยสาที่รถมอเอไซไปนี่ไป น, น, นั่นไปนี่คบผู้หญิงเยอะแยะ One One day at the hospital นะตอนนั้นเราก็ห้เนาะเกเร่เกเร่นนเนาะใ่เนาะ And วัน น, And นั้นะ่ะเราตอนที่เขาเดินก็ได้ when I c o ขึ้นว walk เราตรงอาทิตย์แรกไม่เป็นอะไรเรามันก็่ได้มีเรื่องใหญ่คือว่าเรื่องใหญ่กับเรื่องเล็กนี่คือว่าเข้าข อ, องน้านะเพราะมันเยี่ยวอย่างเดียวแอร์บีเอพิกกับพีบอลหลังจากอาทิตย์แต่จะเข้าต้องอย่างเดียวนอะ <laughs> มันใครใครต้องเนื่องของน้ากัาบเรื่องใหญ่ก็ big problem นะพาใจก่อ คือปัสสาวะมาตลอดมันไม่มีอาหารน่ะกทานไปหนึ่งอนี้มันก็อยาบเจ้าชะแล้วอ่ะแล้วมันทําไม่ได้ยืนขาไม่ดีเขาษฎีขาพอดีเขาไม่ได้เข้าพืพ้นนะมันพักสองต้นมันก่อใส่เลขสองต้นเลยทั้งหน้ากับทั้งหลังพอดีตอนนั้นก่อต้องเดินกับไม้เต้าเวกซ์ติกกรไม้เต้ามันแก่มากเลยอ่ะ ไม่ได้จะฮักแล้วเขาบ อ, อกก้าเลยย่ำพุกปัญีาสิ่งนี้เขาบอกก้าเลยหลังจากนั้นผมแม่ก่อนโทรไปโพยาบาลกดปุ่มต่อ and she came inside the nurse เวลาฉีเนาปะปัจจัยของง่ายเนาะเสียบมันนั่งเข้าไปกดปล่ อ, นนอยเลยเนาะ ก, ก, ก็เวลาเลือดใหญ่นะ ม, มันยากนะ กาเข้าห้องน้ำก็มาได้เดินก็มาได้เนาะไอ้แค่น้ำโ่วันแรกสดต้องทำอยู่บนเตียงเนาะรงพยบาลยืนเอาพื้มันก็บ่ยอมออกกันห่อเนัะ she stand there พอรงยาบาลโรยาบาลยื่นโผให้แล้วไม่ยอมออกไม่ยอมออก้วทำไมยูก็ถ่ายเลยดิตยเยมัน มันกอกมันอก็อ้บอกพอดีมั น, ม, นมันคือว่าเราอยู่โรงพยาบาลเบื่อมากเลยปีที่เราายกับพูดง่ายๆมันมาได้ตั้มาบบเบืนอละมอยเต<อ>็ ม, มหัดอ <ẹ> ่ะอ้ไอ้โ <c ười> งพยบาลแม่แม่แม่ก่อนร่างกายอันแรกก่อน ที่เส้นตายดิายเส้นต่อต้งเจ็เต้นตัวเขามาได้พ่อมันเวลาต้องเจ็ดต้นต้องวางนรัศมตรงขาเนาะวาง ไ, ไ ด, อออง ด, อดอง้อายุสิเจ็สแปดพี่แม่เจ็ดป้นของเรา let my mother be my a r t n e อายุสิบเจ็ดนะเท่าขนาดนี้หมอยังพักแล้วยังคิดเจ็ดต่างอี อนีมันเซนเซอร์ไเลยืมเซเอร์มันเซนเซอร์เอออันนี้ิดแล้วให้แม่ให้แม่มาเชิญให้รู้สึกยะไตอนนั้นโอยรู้สึกให้เลย I was crying ให้เลยมเราให้ทำไมเราห้พ่อมันบ่หน้าดูแลแล้วตอนที่เอาเป็นลอ้อน อายุสามัวบข้าวบักนกบตัวเด่นเนาะอิสโลโมเจ็ดเี่ยวเจ็ดอะเนาะบอดไปอยู่เซเวนทีเโอเน่ะมันก็สูสารแม่นะแม่ทำไมต้องเจ็ดอยู่วเนาะโอ้ให้เลยไอตีพยาบาลนั้นผมดูตลอด ปกติปกติถ้าเป็นที่ประเทศเลยอายุสิบห้าใช่มสิบห้านี่ว่าแม่ไม่มายี่ยมละอันนี้เิ็นด้วยต้องแห้แม่แม่ชาวไทยแม่จาทไทยต้อมาเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะให้ท่านปกติไม่ขึ้ถึงแม่เลยวันนั้นวันที่ขาหักสองทจะเอื้อมมือมาเช็ดให้เทําไม่ได้แย่ขาลงพื้นก็ไม่ได้ แล้วไม่เจอแม่มาเป็นเพียว่านั้นแม่มาเช็ดให้ท่านทำารองไห้เพิ่งคิดขึ้นมาได้บาชีวิตนี้ยังมีแม่อยู่เห็นไหมอันนี้คือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนในชิตของเราจะเกิดขึ้นเพราะสองอย่างหนึ่งก็คือกุศล เรามีเพื่อนที่ดีมาชี้ให้สองไม่มีเพื่อนที่ดีมาชี้ให้แต่ว่ามันเกิดรวดติงคือมันคิดมาได้คิดดีตอนแรกในชีวิตจะดีมันต้องมีคนดีนะในแว่นของอดีตเจอแต่เสือสิงห์กะที แ, แรกรวยแต่ไม่มีสมองใช่ไหมเออไม่มีสมอง ก, นนก็จะได้มาตอนนั้นก็ต้วงเรียนมาทำบุญหมดเลยนี่เขาจะเป็นโรงงานหุ่นบอลเนอะคือไม่มีเพื่อนไม่มีพเมมพื่อนพี่แต่นานดีที่เจ็บเจ็ยอยู่เจียไปจะตายอยู่แล้วขาหักเปมนส น, นัแม่และนานทีนั้นเป็นนานีรื่ท่านเลิพพกเล้าเลยเพราะเพื่อนๆที่อยู่ในวงการ น, นักสิ้นด้วยกัน ไม่มีใครโผล่หน้ามาเยี่ยมน้แต่คนเดียวเพราะกลัวว่าจะต้องรับผิดชอบเห็นไหมในนาทีเป็นนาทตายใครที่รับเราจริงไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ลุกพี่ที่อุยามาให้เสร็จจิตจะรอนว่าที่เปลี่ยนหน้าในทุกเือนไม่มีแม้แต่คนเดียวที่โผล่หน้ามาและบอกว่าแฟงฉันทุกคนหายหัวบม สุดท้ายในวันที่ไม่มีอะไรคนที่จา่ายค่ายาพ่อกับแม่คนที่มาเช็คจุจรัรัสสาวะพ่อกับแม่ฉันแต่พยาบาลก็ขอยืนมองนะไม่ไหวจริงมันมันไม่ไหวอะ่ะมันรุงรางไปหมดแล้วโหนก็ไม่ได้โกนข้างบนข้างล่างก็ยโอ้โอโรบกมด พยาบาดยืมอง่าไม่กล้ายึดกัมัแล้วสุกทางแม่ท่านมาทในสิ่งซึ่ยากที่สุดขะที่แม่กำลัเทศญัให้ทนมหาโจรคนนี้ร้องไห้เลยถ้ามอยู่นรู้วใครทำที่รักเราจริงใครทนที่จะเป็นที่พึ่เราไดจริงและนาทีนั้นน่ะท่าึกเกิดสิ่งที่เรียกกันว่าการชง การฉุกเฉินสาคัญที่สในชีวิตคนคนเราที่มันแย่ที่มันเลวมันผิดมันพลาดมันทิ้งข้อที่แม่ทำทุกอย่างเลยเพื่อคนเออเลยเพราะเขาเขาคิดไปได้แต่วันใดวันหนึ่งถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาต่อให้ไม่มีใครมาบอกมันก็จะเปลี่ยนอันนี้คือ t u ิ n i n ในชีวิตท่านเพราะท่านเห็นแม่แม่ไม่พูดสักคำว่ารัโลูกเอาผ้าเชดน้มอะไรเช่ไร ท่าเราว่าตอนอายสาวบแม่อาบน้ำให้ท่านในกะละันที่ทเ่นีแม่จากท่านอาบน้ำเช็ดเท้าเช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดตาอุจารปัสวะแม่เช่ดให้หมด่านบอกว่าตอนนั้นมันธรรมดามากเพราะว่าเด็กๆพ่อแม่ก็ต้องเล่นอย่างนั้นใช่ไหมแต่พออายเจ็ดจ็แม่มาทำอีรั้งหนึ่งท่านบอกว่าท่านรับไม่ได้รู้สึกว่าท่าน ต่ำก็ที่สุดในชีวิตเพราะวิธีคิดแบบก้อนดังก็คือพออายุสิห้าไปแล้วเนี่ยต้องไม่พึ่งพ่อพึ่งแม่อลไรนะอนยุติดแผลในประกาอีสลาห์หเลยหลุดจากบ้านเลยไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่แล้วพอาะนี่คือับนี้อินดิวิโดใช่ไหมและที่ปฏิชนที่ยอมเนี่ยพลังใกระบวนารการดูไม่เปลนแต่วันนั้นเป็นวันที่ท่านคิดขึด้นมาได้ว่า เออเราไม่ได si ้แ <strongly> น <elle> ่แรอกท่านแม่จะให้แม่เช็ดก้นได้ไงอ่ะมันไม่จริงจะผู่อนคนจริงเนี่ยพราแม่มเช็ก้นทุกท่านรู้ว่าท่านไม่ใช่นักเรีนจริงหรอกอดกระจอกเลยรู้สึกรู้สึกเออบอกลูกๆที่บ้ารู้สึกยังไงในนาทีนั้นตอนนั้นเรารู้สึกแบบการี่สุดในโลกะ มีอะไรติกาก็ดีแต่ไมอนไปกับเพื่อนนี่ When I went with my f r i e n d to a bar นะไปเอาพัทนะเข้ากับรุนพี่ครั้งแรกก่อนนั่งโต๊ะเขาจัดโต๊ะเลยมยินมานั่งเสิร์ฟเล้ากับเรายาก็เซ็นนันนะกอลังจัดนั้นนะโอสังเกตูเขารู้สึกกระจอกมากเลยไม่มีอะไรที่ช่วยเขาได้ลบมมอเตอร์ไซค์ของลูกของเพื่อนนั่นปิของเขา ตอนนั้นนะก็หลังจากออกมาก็ยังแย่อยู่นะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังแย่อยู่ยังแย่อยู่เรารู้สึกต่ำต้อท่านคงจะรู้สึกเหมือนกับเราต้องไป็นตวฟ้าผู้เปรตนะคือมันเป็นเจ้าศาสนาพาหลอแล้วก็เป็นการแพ้อารมณ์ประมาณนั้น ท่านบอกว่าท่านอดทนกันชีวติวตวสุดๆแต่พอชุดคิดขึ้นมาได้แล้วไม่มีใครรักจริงถ้าพ่อท่อแม่ทัดเปี่ยนเลยต่อมาแฟนจะไปต่างประเทศท่านขอตามแฟนไปเอาล่ะตอนนี้ท่านเก็บรถเก็บ ย, ยาอะไรแต่ยังไม่เก็บผู้หีขอตามแฟนไปแต่พ่อพ่อบอกให้บวชกี่วันะ แม่ก <ừ. S 2> no. ็อบวดตอนพ่อสมมว่าเไปเมืองนอกเวลาไปช่วย d i r e country ต้องน่าสือกตาฝาเมึนต้องข้แม่ปวดรององรองห้นะแม่บอกอ๋อเธอลูกนี่ให้เชีงพ่อเธอเเรจสุดๆแล้วเสุดๆแล้วบอกย่าเอียงแม่เลยเข้าเตีโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพักีงเดียว ต้องโรงพยาบาลเสียตังเยอะด้วยนับตองโรงพยาบาลที่คู่ก็ตอนนั้นก็ยังหลังจากขี่รถอีกมีเข้าโรงพยาบาลในขล้นหนึ่งกรโรลล้าอีกก็บุญจีให้คณะกอเต็มตัวเย็ดมาสาวสองเข็มตระโลกกระโหอีก แทนนี teacher, ่ก็ดจนไปแล้วสมัยนี่เวลาลมวิชนะเวลาเลือดมันปวดใจมัเจอแดงเลยมันพิการเลยอายุสาวมีพิการแล้ววิ่งก็มาได้นะไอแค่นัดบอลอันนี้มอนะวิ่งก็มาได้ละคนหน้าถามตอยเฮาเตะขาเขาข้างหนึ่งพักพักที่ขากระจอกอนาดจานี่ก็ก่อนจะไปอยากแม่ขอบพูดแค่เก้าวันเองอะที่มัน คมันคือแม่ดีใจในชีวิตเนาะพอ่อแม่บอกเคยสบายใจกับเขาเลยอ่ะเสียใจตลอดทาไมลูกฉันเกินมาแ ง, ง่แม่พูดตรงขนาดนี้เลยเนะทำไมลูกฉันเกินมาลูกอาจารเรนะื่งแงนะถ้าลูกบางบ้างเนี่เรียกว่าจัดแง่ไม่ e ีไม่รีสตูดิโนะ กหน้าแม่ก็พูดคำนี้แต่หน้าท่านเลยอ่แะแล้วม่ก็บอกให้ปวดแม่แป่นี่ชอบจาคานี้บ่กผู้คนไยโดนมึงนี่เป็นควายแต่เลยปั๊ควายที่กลัวจะลูกพาคนนึงเป็นควายนี่มึงเป็นควายของจริงเลยแม่พูดขนา ด, ดนี้นะอ่ะพวกเราที่เราเองเมื่อแม่จะทําแต่ก็ ยังจะมาหนีแม่ตาแฟนอีกนะ <c oughs> แม่อะไรพี่ให้ไปสุดท้ายบวชให้แม่ก่อนแลวจากนั้นจะไปไหนก็ไปในชีวิตเดียวบวชไหมบวชกบวชเก้าวันเก้าวันแรกก่อนวันทีบวชนะ น, นี่เรายังเป็นพี่ยาอยู่ตอนบวชนาตอนบวชนาตอนจะบวช่อนจะใส่ผ้าขาวใส่แล้วปุ๊บ ป้นาได้อย่างมีั่งกัญชาอยู่บนห้องมีพุ่เพลกระดูดหน้าแดง่หน้าสีตาแดงยลุงประหาเลยคเลมุ่น่อย่างน้าใสแว่ตาเียตอนที่ปวดใสแวตาดำ่เทสนะใสแวตาพตาเยอะอ่ะเยอะแล้วอ่ะ ใส่ชุดหน้ายู่แนวชุดสุดกระชัยเลยโอ้โหไม่รู้เรื่องทกอย่างปกติเวลาแห่หน้าจะมีคนร้อนรำนำหน้าใช่ไมแล้วก็โอ้โหใช่ไหมพอเขาหิวกุ้งางกะโผล่ไประกอบเด็กชีวิตะชีวิตมันแย่ได้ขนาดนี้นะเออมันแย่ได้ขนาดนี้นะยังไม่พอท่านจะพาคนอื่นแย่เองเจ้านายพอเบอร์เสร็จแล้วพาเน็รแย่จะแน่มันนั่นแรกเลยอะ อันนี้ก็ปวดไปบวดมาก็เป็นผ้าเนาะปเป็นผ้าในวันสุดมัหลังจากนั้น4วัน5วัน6วันมันปดกัได้นะอยากดูตูรีมอยากดูกันชาด้วยเพราะ อ, อันนี้เขาเข า, ขขออาเลิกแล้วไปมาป้อ my father he c a m to visit me all the time มาเอาตลอดก็บอกป้อตู้นี่ขออันนึง ไปอ่อาหุงตุ๊แล้วกอกระชากับยาสเตพันเอามาหุ้นตุ๊ตุกบาดูในวัดดูในวัดปุ๊บตอนประงคืนตอนทีเนงกับตุลุงรับเราก็ขึ้นไปนะพระพุทธเจ้าเป่าใส่พระพุทธเจ้าตุ๊นเลอวันนี้เราสองคนนี่รับสบายเนาะ หลังกนั้นหลังกนั้นกอ่อนเนนเนนอายุ Name about 14-15 years old เป็นขคยากดูดยาเน้นน้อยอันนี้พิเศอยากดูดยาอา่าแล้วมันทำยังไงมันเอามาหาดูอีเ a m ม t ูมีเนะป็นอ a r a c e t a นะยาพลานะเน้นมันไม่มียา ต้อง่ยากเสียาเลยเลยไปเอายามาราเซตามมาเสพให้รู้ท่านก็เห็นว่ามันขวดกันจอเลยไปเจอเจ้าพ่อตัวจริงเลยเอายาจริงมาให้เนร์เนร์ดูเนาะเนร์ดูแล้วเ็โอโหนดูน er well. ี่ชื่อดีเอาดูดเนาเขาดูดกว่เจ้ามีแค่น้ำมกดูดไปก่อนจากก้อน ขังเลยตากงชื่อข้าวิเมื่อยหรอปัสสาวะเมาขนาดหนีอกองหนกูเมาอีกรีหานะหามากเลยนใจตู้บอกพี่ว่มันเป็นเรื่องปกติพอมันดูทุกวันวามมันชีนแล้วมันชีนแล้วมันคงไม่เมาสักทีเลย <c oughs> ตั้งแต่นั้น ดูลุลตอองตนงนนอนบ่สามกับพ่อเนยมากวธไปไหมพดห น, นัาพัพดป้าชกเนยมันเมาอบุ้งป้ากวธไปไม้กบมาได้ละพดหน้ากบมาได้เนยยันเมายาอยู่หลวงพ่อทำเนยเรียกมาตวาดไปไหมนรถน้ําัดเพมัดเปิดตู้หังวะแต่เนมันเมาครั้งอยู่อ่ะแต่หลวงพ่อไม่รู้ าก็เลยพากไปกวาดไม้แล้วนถือกวาดมเห็นว่าเหมือนถือกีตาร์เลยยไงโชว์กางไงโชว์แล้วกวาดยที่ยากวาขยะกวาดยังไงปฏติปกติเนาะปกติเวลาอปวดไม้ห้องปวดจีนเนาะนี่มันกวดจีนสุดยอดคนตราดคนตรา มันกี่อยู่เป็นตี่กครับตัวมันรับแรงที่ตลอดเขาไปหาช้นไม้โอ้วันนั้นเรคงมีความสุขสขนาดเออมีความสุขขนาดนั้นะเพราะเราไม่ได้ถือศาสนาอะไรเลยครับแต่ไม่มีศาสนาซึ่งในเวลานี้เหมือนไปรู้ทั่วไปในโลกตะวันตก ไม่ไม่มีกัญ น, นาฉะนั้นไม่รู้สึกเผ็ดจนต่อมาอก็จะลี่แล้วเนา ะ, ะแล้วทำไมไม่จัดพ่อ my father is really greedy นะพ่อพิจิตรขนาดพอถึงแค่เก้าวันพอพ่อบอกว่าอยู่นี่อย่าไปซื้อถาบวดมันแพงหรืมันบวดสชหรือมันบวดสักสิบต่ามัน for oh, 15 days ตาก็ว่าโอเคโทรหาแฟนอีกโอ้ยก็จะมา later นะเดี๋ยวรอก่อนยังบวนตอ่ออยู่บวนตอ่อไปไหนมาๆก็ยาผมมีแล้วบุหรี่ก็ผมมีแล้วไอ้ยังก็เรื่องเดิมผมมีนะเรื่องเดิมเขียนอ่ะกับเราไม่เคยรักในกุฏิรักในวัดคนเดียวตลอนดสิบหวันปกติมันเขา้ขาเข้า เานบนเไปบนบนแทบหดทีนนี่ใต้แทดนะจรจริงที่ฐานอ๋อวาที่นต้องรับสามวันเนาะเมือบสามัก็เรียกว่าเวลาเราเป็นพระใหม่เราต้องอยู่เขารียกว่าอยู่อยู่กับอยู่กับก็หมายความว่าต้องปฏิบัติเต็มสามวันนะต้องชันต้องนอนจำบ้านในบ่อในอุโบสถ พ่ออะไรพ่อเราเป็นพระใหม่เราต้องอยู่ในนั้นตลอดให้ได้สามวันมึงเด็กเเรียกว่ากิ่กรรมก็คือการปฏิบัติเข้มข้นเพราะว่าเราเป็นพระใหม่ออกไปเป็นหน้าบากยังไม่ได้ช่วงนั้นแล้วท่านทายัางไงก่อนนอนอย่ า, าทาิ้งซิทข้ามเออขนาดคนนึงก็ถามกลัวผีกองกลัวผีกองเวลาตื่นนี่มันน่ากลัวแแต่ในวัดนะ่ากลัเขาบอกว่ามันมีผีต้อตงระวง เสียงโง่น่ากลัวมากเลยก็ไปมาเราไม่กลัวแร้วทำไมไม่กลัวพอาเขาตู้เราเปน็นยังไม่เบื่อคือว่าแบวกันกัน <c oughs> หน้ากลัวสุดนะ้าแบว่งนี่นะเวลามันกันกันอะ่ะ <c oughs> เสียงเมือนปีเลยอะ่ะ k e ก์กูส์นะหลังจากที่ผ้ันมันขึ้นมาแต่ไม่อยากซึ้เลยแฟนกประตูมามาถามชมาก็ไม่เด่นไม่เงิน ขอบวชตอนแรกเก้าวันแม่บอกเก้าวันพอครบเก้าวันเราไปจะไปแล้วพ่อมาบอกว่าลูกขอสิบห้าวันเถอะทำไมพ่อบอกว่าแม่จามมมนะ่านะยาไปสาม่มื่นเลยบวชได้บวชไปตั้งสามหมื่นแล้วล้มโบลล้มไฟได้บวชไปบ้านอกแล้วลูกจะบวชแค่เก้าวันเนี่ยนะมันไม่ค้บ พ่อรังเกียจใจตังไม่อยู่ต่อสิบวันพอครนสิบห้วันอารมณ์อยากอีกออไม่เหลือเลยใช่ไหมมันพอมันมันถูกใจ I was really happy พอ่พอผมรู้ทำไมเพื่อนบางคนถามว่ามึงทำไมกดซึ้อมึงเป็นเกย์หรือเปล่า No I'm not gay พอภาคเสือน่าเนั้ยมันต่ออยู่กับปุจยัยอย่างเดียวน้อนะเพื่อนเป็นปลังลุกขึ้นขเขาเป็นความเป็นเกย์มมวนไปวนมามันก็มั่วสนุกขึ้นไปงานซพไปอะไรพวกนี้ได้กินอบบะหมี่ด้วยเดินจอบไปงานจ้พอ่ออะไรงานจพาเพราะเจอสุขันเทิง จากจากเรื่องดื่มเล้าขวดไปแตนเข้ามาเป็นรั่เหลือแต่โอเวนบินหมดสภาพมหาวายร้ายเลยหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่พระอาจารย์บอกโอเคว่าทีนี้นองเราจะดีได้มีของเงืนปันจจนะัยนะหนึกัลยาณมิตร 2. วิธีคิดที่ถูกต้องกัลยาณมิตรก็คือเรามีคนเป็น คือกูดใก่เพื่อนที่ดีงามเพื่อนที่แท้จริงมันชักนาของท่านสุดท้ายเพื่อนของท่านไม่ใช่คนนอกไม่ใช่ครบาอารแต่แม่ความรักเยียวยาทุกอย่างได้สุดท้ายเจ้าพ่อคนนี้เห็นความรักที่แม่มีต่อตัวเองก็เลิกซ่าเลยซ่าต่อไปไม่ไหวเพราะสงสารแม่อันนี้ทนะ่านเจอข้อที่หนึ่งนะการยันยมิต สดีมิตรคิดี่ถต้องชุกค like, ิดที right ่มาได้ว่าถ he ้าเราเร็วต่อไปพ่อกับแม่คงต้องช้ำเจ็ยตายกขทสักวันเห็นไหมพอร่มาบวนครับคนที่เป็นกัลยาณมิตรให้ยังไม่ใช่พระนะเป็นพ่อพ่อบอกว่าขอสิห้าวันอาตมาเขาที่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตขั้นนะเพราะเราจุตหกครบสวันท่านจะไม่รู้ว่าอะไรสพูดได้สำเนะใช่ไหม จะไม่รู้เลยว่า what is Buddhism ไม่รู้เลยไม่รู้อะไแต่พ่อพ่ออะครับาาขอ15วัน พ, อพอ่อครบ15วันพ่อแม่ไม่ต้องมาทำแท็กซี่กัลยาณมิตรพูดไปแล้วไม่ต้องลูกคิดได้แล้ ว, ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงพ่อพ่อความสุขที่แท้จริงแล้วไม่อยากไปแล้วในชะ่ไหมจะซื้อไหมไปเลยเลยไหนเห็นไหม ตอนนี้ก็ฝึเทบมาได้หน้าเดือนแล้วจนกระทั่งในที่สุดยศแม่ามากราบพระอาจารย์ท่านมานั้นรอพระอาาท่า น, นยังรับาญเลยทำไมต้องมานครไม่รู้จักแล้วพอมารู้จักแบราานพระอาจารย์ก็จัดฝึกอบรมให้ท่านพระพุทธเจ้าบอกคนาก ด, ดาวนั้นเปียนไปก็เหมือนไก่ไก่ที่เติบโตมาแล้วมีพ่อมีแม่ ตะเป็นไก่ที่มีอนาคตเพราะพ่อไก่แม่ไต่จะสอนว่าไกที่ดีควรจะขันตอนไหนไกที่ดีเขาจะขันตอนเช้าไก่ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่คอยสอนนะมันจะไม่รู้กาลเทศะไม่รู้อะไรกลัวอะไรไม่ควรตอนกลางวันแน่หนึกจะขันมันก็ขันตอนเที่ยงคืนนึกจะขันมันก็ขันไก่ที่ขันไม่ถูกเวลาจะถูกคนจับไป็นฆ่า พอมาพบพระอาจารย์ทาจะเป็นไก่ที่มีพ่อมีแม่นะอาจารย์จะจะับท่านขายำขายำขายำขยใหม่หมดนะเออวิตามิตรบัะอัดฉีดเข้าไปเลยฝึกเขมท่า น, นนั่งสมาี้ปกติท่านนั่งของท่านทั้งร่างสามชั่วโมงอาจารย์ถามว่าแล้วรู้เรื่องไหมสามชั่วโมงท่านตอบไม่รู้นั่งเอามันมันแท้ใช่ไหมอิสกู มันครูว่าท่านต้องสามชัวโงมีวันหนึ่งท่านไปนั่งสมาี่ในป่าเปี่ยวสามชั่วโมงไม่รู้สึกอะไรเลยพอออกจากสมาธิท่านก็มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าตอนนั่งอยู่นี่มันเย็นว่าคงว่าที่หน้าท่านถ้าเกิดท่านคิดว่าคงจะบรรลุสภาวะธรรมขึ้น พระอาจารย์บมขั้นลึกขั้นลึกอะไรไอ้ที่เยีย์พูดว่าเป็นหมาพระอาจารย์วีเนียหมาเนี่ยนอะอาจารย์ไม่รู้เรื่อง ไ, งอไม่รู้สึกนะเนี่ยนะต่อมาเพื่อจให้ไปนอนปลาชา้าสมุดดิพอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเคยฝึดไปแล้วแต่ที่ฝึดมาทั้งหมดมันไม่ถูกต้องพระอาจารย์จะฝุดให้ใหม่ ตอนนี้อยู่จะเป็นนักมวยที่มีค่ายแล้วนะก็จะเป็นภ า, ร, นนะารินนะเารนนะวัววชิระมีตินะก็ได้เป็มมะนมวยวัดทำสละพักเออเ อ, อไปหดพอมาอยู่กับพระอาจารย์อาจารจับกดเข้มท่านบอกว่าเคยเลวมาแค่ไหนจากนี้ไปจะดีมากกว่านั้นนับร้อยเท่าพันเท่า มันทานะมันโดนนะมันกิน้วมันไม่กินมาเลยกลับมาฝึดเพิมขอเป็นพระชนนำทั่วันนี้ฉันคนเดียวเล่าบุรี่ทิ้งหมท่านบอกว่าหันรลังให้เหมือนถมน้ำลายทิ้งไม่เคยเสือดายเลยเวลาที่เราถมน้ำลายทิ่งเราเคยเสีอดายน้ำลายไหมไม่เคยท่านบอกว่าผมทิ้งเล่าทิ้งยาทิ้งบุรี่ทิ้งุ้ญิจเหมือนถมน้ำลายทิ้ง ข้อดีขอ่านคือถ้าเป็นคนใจเนี่ยตั้งใต่สิงก็ทำจริงแม่เดือนวนี้ชีวิตพลิกเลยจากหลังมือแบบนี้ตอนนี้เป็นหน้ามือแบบนี้นจากคนที่สอนตัวเองก็ไม่ได้ตอนนี้ท่าเที่ยวสอนคนมาตอนนี้พระอาจารย์คิดว่าได้กันําบมือนคนแล้วนี่คือชีวิตที่เป็นตัวอย่างของคนที่ เปลี่ยนแปลง เ, เลยเพราะเอาธรรมะและเอาวิเนยไปเข้าปัดจากคนที่ไม่แคร์กฎหมายเลยฟามันลุกได้หกชั่วโมงถึงกรุงเทพ ฟ, ฟามาัานลุกไดนตอนนี้ท่านมาอยู่ในวิเนยของพระสองรยสิบเจข้อก็มาอยู่ในกรอบของวิเนยชีวิตเพื่อนก็มีวิเัยแล้วปึกเข้และมีความสุขทุกวันและจากนั้นจากที่สอนไปไม่เป็นท่านสอนคนทุกวัน สอนไปขึ้นมาตอนเนี้หลายพันคนแล้วพระอาจารย์ที่ยากจะบอกลูก ห, หล า, าทั้งหลายว่าชีวิตคนเรานะั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ขอให้เราศรัทธาในตัวเองถ้าเราศรัทธาในตัวเราเปลี่ยนแปลงเได้และถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้เราจะเปลีป่ยนคนอื่นก็ได้เราจะเปลี่ยนโลกใบนี้ก็ยังได้เห็น ไ, ไหมเพราะฉะนั้นพระอาจารย์อยากจะบอกลูกหลังว่าถ้าเรารู้สึกว่าแ ย, ย่กับเคร เพราเราสู้เรามองฟังพระวะันเราเห็นว่าเราสู้พอแล้วแต่ที่เราไปแยกเราแย่ต้องท่านไหมพระอาจารถึงให้ดดใพระติแกท่านว่าองคุลิมาจะกลับใจแล้วคุณเป็นใครไม่กลับตัวนี่คือตัวอย่างตัวอย่างขององคุริมาที่กลับตัวกลับใจได้สำเร็จเพราะเติมวิไตเข้าไปในชีวิตคนเราพอมีวิยัยก็ไม่ใช้ชีวิตตามใจฉนันแล้ว ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบอยู่ในเกมอยู่ในกฎปฏิกิริยามารยะและพอร่างกาแบบนี้ปติปัญญาของ่านสุดีอยู่แล้วก็แจใสเรียนธรรมะกด้อย่างรวดเร็วตอนนี้ท่านเทศนแาห่งพะเจ้าให้บน่นตามพระอาจารย์ไปเมื่อถว า, ายุณตาปัญญาญาณปูนสำราญพระาจ้เป็นหน่วยก้านเป็นสัภาคซนเลยเดี๋ยวตอนนี้เลยได้ออกรายการทีวีนะทางของ วัดคอยซีรีพระพุทธเจ้ามีบทสัมภาษณ์ท่านผู้พระอาจารย์วันนี้เกิดมาคุยเดี๋ยวจะมีภาพพิเ็ษก่อนวันสอกพรรษานี้จะมีบทสัมภาษณ์ท่านโยมแม่ของท่านะมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าตอนที่ยังเป็นโยมนั่งขับรถออกไปแม่เนี่ยเตรียมใจไว้เลยว่าคงได้เก่สาวันมัตายหรือไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลหรือไม่ก็อยู่โรงพยา กระทั่งแม่ก็ร้องไห้ไม่ทาใจลูกหน้าเนี่ยว่าลูกคนนี้ตายแล้วเมื่อแต่พอร้อนมาบวชแม่มีความสุดมากเมื่อก่อนจะมาในเมื่อวานนั่งไปเล่นกับธรรมาภาพยมพ่อท่านก็เป็นชาวซีเะไรเนาก็มีโอไปมาดึงท่าพาลูกชายพระอาจารย์มองส่วนกล้องไปท่านเทศต่อหนะ้าคนหลายพันคนแล้วทาให้คนมีความสุขยมพ่ร่มาบทึกท่าพาลูกชาย น้ำตาไหลเออเลยบันทึกไปร้องให้ไปท่านบอกว่าไม่คิดว่ารูปที่เคยทำให้ตัวเองเจ็บช้ำน้ำใจต่กลายเป็นคนเดียวกันกับที่ทำให้เธอมีความสุขเต็มหัวใจเพราะฉะนั้นท่านคือตัวอย่างของวัยหุ่นที่ใช้ชีวิตมาแบบไม่มีกรอบไม่มีวินัย ตามใจฉันแต่แล้ววันึงเมื่อท่านปริกเปลได้ท่านก็กลายเป็นคนที่จากที่สอนปรีก็ไม่ได้ตอนนี้ท่านไปสอนคนไปทั่วฉะนั้นท่านเป็นตัวอย่างของคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเลยว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆมันสำเร็จในโลกนี้นะไม่มีอะไรที่คนตั้งใจทําไม่สำเร็จฝากพวกเราไม่มีอะไรที่คนตั้งใจทำไม่สำเร็จ ขอให้เราตั้งใจจริงๆมันสำเร็จทุกอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างกา้เรียนาพระอาจารย์ีกตัวอย่างหนึ่งก่อนจบคุณครูค <c oughs> ริสเตียนอ่าเพื่าจะตัวเองคริสเตียนจบมาทังได้ในพิเศษคือภาษาศาสตร์แล้วมีความเปล่นเนี่ยรอบตัวเลยการเรียนก็จากเย็นอันนี้ยังเป็นวัยรุ่นนะ ทำไมพิสเดียถึงเก็งหลายอย่างแลยตอนแนะนาตัวก่อนัดีครับชื่อพิสครับทอะไรได้คือยางเลยก็หลายอย่างมีอะไรบ้างล่ะก็เรื่องภาษาผมพูดภาษาไทยภาษาญีได้โภาษาญี่ปุ่นไหมนักสัาครับช้นัมโอเเลครับ ก็บอกว่าน้องๆทุกคนรีนหน้ารักมากสวยทุกคนเลยนะใช่เี่ยงก็เป็นบรี่ไม่มีเลยเจ้านะแล้วนอกัูดได้รามาสาอายุแค่ยี่สิูดได้รัารมาสา แล้วทําอะไรได้กีฬามีอะไรก็มีชอบก็ตีนันี่ถากตัวนี้ได้ไหครับก็ขี่ม้าก็โอเคนะครับขี่ม้าขี่ม้าขี่ม้าครับขี่ม้าก็ได้พันดาบก็ได้นะพันดาบได้โชวได้ไหมอ่าตอนนี้ไม่มีดาบถ้ามีดาบก็โชวได้นะครับผมเคยเข็นที่ี่ปนด้วย มีอะไรที hmm. <Money. S 2> <c oughs> ่ได้กระดาษไหม็ดหวงไหมกื hmm. ่นได้เหรอได้ครับเออผมก็อยากพกจักรที่พี่นะครับแต่คิดว่านำโนดคงจักรไม่มีควมันอยากอยาเป็นซุปเปอร์สตาเหมือนใครจ่าพลมครับเห็นไหมเห็นไหม เขามาอสอนภาษากีนประอาจารย์ยังไม่ติดตามมาทิ้เลยแล้วก็บอกว่าเขามี็นแฟชั่นน้องๆมีแฟชัน่นเหรอมีความฝันอะไรในชีวิตคริสเตียนก็อยากจะเป็นโทติกาเขาคิดว่าโทติกาเนี่ยเก่งมวยไทยเพราะว่ามีตัวช่วยคืงผ้าเข้ามา ตอนคนนิราผิดแสดงที่นิยวยอร์กเอาภาคออกมาไปเลืขาได้เพียพงทำัาคอื่นเพราะหลังซื้อมาภาค้าหัวหมดเลยคิดว่ามันเป็นยบนไทยปคนซื้อ ม, มเลยแต่ไม่ช่วยอะไรแต่มีความฝันพอมาอยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์มีลูกศิษย์ในวงการมันเดิมเยอะมากถ้าดารา100คนเนี่ยลูกศิษย์พระอาจารย์ครับคิดว่า95คนนะเรเจอบ่อยมากทีดด่เราเจอตะบันใช่ อ่าก็มันหนึ่งจะมีแอบมองัปทีไรโอโหรอขนาดนี้มาอยู่วัดได้ไงต้องไปอยู่ในจอทีแล้วเขามีความฝันอยากเป็นดาราพอดีนะต้อบอกว่าตอนนี้ก็จะได้เล่นละครแล้วใช่ไหมเล่นเป็นตัวอะไรครับตัวไรครับโอ้โหตัวไร เป็นลูกน้องเจ้าพ่อครับเป็นลูกน้องเจ้าพ่อใช่ไหมใช่ใช่มาเียใช่มีขาคนไหมมีครับมีข้าวคนด้วยใช่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮา่าฮ่่าาฮ่าฮ่่าา เข ม, มันร้สินงไร้สิงนงละน <c oughs> โอ้มามาเปียรักะไรย่างเงี้ยนะใช่ เ, ใชเล่นเป็นมาเปียร์อะไรใช่อืมลูหลังรอหนูนะละอรชื่อคงกระพันนารีผู้หญิงผู้หญิงเป็นมนุษย์หลกไหลฆ่าไม่ได้มีความสามารถทีเนร่เาเป็นมาเปียรัเพียร เป็นคู่กับของนั่นเองใช่ไหมอ่มาแห่งนั้นเองนั่นหมายความว่าเล่นเรื่องแรกยังไงก็เกิดเพราะประสบนักเตะตลอดตอนนี้ไม่ได้สอสนภสษาถิ่นอาจารย์เลยอยู่กองหน้าตลอดนี่คือตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันถ้าเรามีความฝันแล้วเราจะทาในความฝันนั้นเราไม่ทิ้มันกาลางๆวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นจริงก็เหมือนเราทุกคนที่มาอยนี่ ฝัญอาประสบฝันทุกเร็ดถ้าเราไม่ทิ้งกลางทางร้อสุรายาเสพติดผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่ตกหลุมพรางของกิเลสเหล่านี้เดี๋ยวก่อนวันหนึ่งเราจะไปถึงฝั่งฝันเหมือนคริสเตียนพระอารม์ในบางเชออื่อยูอย่หนึ่งว่าพระตู้ให้โอกาสเปิดให้ทุกบานสําหรับคนที่มีความฝันและมีนิยมในการเปริดเผคริสเตียนมีวินยัยมสูงมาก ไปทำงานในกองหน้แน่นอนที่ไหนก็มีต้องเลียงเล่ายล ง, ง้ยงาแต่พิเศษเป็นไงเจอเล่าแล้วเปนก็พวกคนในกองถ่ายเขาก็ชวนกินเล่านะครับคือถ่ายเสร็จวันนั้นก็สังสรรค์กันใช่ไหมก็วนกินเล่าผมว่าไม่กินครับผมถือศีล้าอยู่นะครับเ <c ười> ชื่อไหมว่ากอนนั้นกองถ่ายเขาอายุออรัง ก็ตายตายเลยอ่ะก็งเนี่คือสุดภาเลยวันนี้เพ่อนาเาจะไปรวจเลือมีเลือด่เรอยู่าลเลยกรศึกาการ่ตุสังเชื้อสินทรเบียลงไอซตอนนี้เป็นเขาเข้าไปดารดาราดีนะพื่ สดเบียแล้วก็โพสในอินสตาแกรมตอนนี้เป็นข่าหดังว่าพระอาจารยเทียนถ้า่าณเป็นดาราอยู่จะดื่ขอพวกนี้ไหมตอบแม่น้องน้ำมาไม่ดื่มครับทำไมอ่ะก็ไม่เ็นดีครับยังอยู่กับมนุษย์ออยู่นะลกเอ้แล้วน้องน้ำที่ได้ดื่มกับน่ปะไม่ค่อยเนา เราถึงน่าเข้าใจในโลกโอมบหน้าเนใจใล่นี่จงทุกคนนะไม่ถึ ง, นานางนนหน้าทุกเดือนอ่าเ่หลังเจะมีอนาคตมันก็มีวิ่เนแบบนี้มีโอกาสเยอะส่วเท่าไหร่ก็ไม่ละเมิที่นของเรื่มาเมืองไทยเดนแรกเป็นดาราเลยเพราะ เพราะผู้กระตับเห็นว่าหนึ่งการพูาดีเยี่ยมสองหน้าตาหล่อเหลาและ 3. านิสัยไม่แต่สุรายาสเสด็จด้วยประา ก, า ก, กาศทักวชถ้ะตักนร้โอกาสโปหน้าเลยเพราะมีจีเนสที่เหนือกว่าการพึกษาดีเยี่ย ม, ยมนะลงนะดูแล็นดีเยี่ยมร่างกายแขเ็เแรนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับายุ ด้วยกรรกาะทำกลายเป็นจุดขายที่เป็นจุดแข็งทันทีชนะใรอย่างสำเร็จและเป็นความสำเร็จที่มีเกียรมีสักดิรีอธิบายได้ดูตัวอย่างคุณครูพิษไม่เชื่อากพูดนนแต่ว่ารักษาสินั้นพระอาจารย์มีรุ่นพี่เรามาอยู่ราชเชตะวันกับพระอาจารย์หกเดือนสอน พระ ah ah อาา ร, amentos, ราออาย์ ia, ah ali, ER ICA, เยกตพระอาจารย์พระอาจารย์สอนสมาธิเราออกกลับไปที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาอยู่ท่าจุฬาลงกเณ์ตอนนี้เป็นคดูสอนสมาธิอยู่ที่อเมริกา ER ของดีที่สุดในสังคมไทยที่เรามองว่าน่ยเบื่อแต่คนมีปัญญาจากอเมริกามาเรียนรู้เราไปฉะนั ER นะ Maria, ะ้นลูกหลานทั้งหลายควรจะภูมิใจในตนะัวนี เราเพ่งมุ่ไปเจอมาเจอพระแล้วเจอธรรมะแล้วเจอพุทธศาสนาแล้วแต่ถามว่าเราได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไหมถ้าเราไม่สนใจนะเป็นเรื่องอ้าวท้่สุดพิเศษพระอาจารย์เห็นว่าได้ข่าวว่เก่งหลายเรื่องเส้นร้องเพลได้ใช่ไหมได้โทรไหมได้อ่าเอากส้นเพลเยเลย นมนเอามีดนตรีไมีตีหลดอ่ารู้สึกจะมีแบ็คสต็ด้วยนะเอออารกอะไรน้ เจริญอย่างนี้ใช่ไห้ล่ะช่เจริญอย่างนี้จะคุ้นสุดคุนสุดไหมใชเออเจริญเห็นว่ามีความฝันอยากแต่งานกับผู้หญิงไทยใช่ไหมยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นครับแล้วถ้ามีโอกาสอ่ะอยู่ก่อนครับบนที่ใดถ้าเป็นที่ชายเออเพราจะเปนที่ได้เนาะเป็นไปได้นะ เ ป, ปเป็นบาได้ใคบางรัดดังลกูกผมชอบความสันธายมากเขาบอกว่าอยากเดินมาเป็นในตำรวจเที่ยวบางรัดดังผมก็ทักชาติมากนะครับแต่ไม่ใช่ชาติคนกันเองชาติไหนลกูกชาติถ่ายครับทำไมอะเพรา ก็นาฬกาเรนเป็นพลังเป็นใจเรมันเป็นไทยครับ Don't ignore me. I'll be w a i t i g บุรีไม <Yeah. S 1> yeah, ่แตกไม่ตองเพราะฉะนั้นพอเขามาถึงวันงานปุระตูโอกาสเปิดพันธีพร้องกันสิบบาทดูการนั้นหละถ้าลกอยากประสบความสำเร็จเนี่ยุทพิธเตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเลยทีเยวอะก่อนสอบพิธนและวการจากให้ป๋าเึงน้องๆทุกตารางเรียนที่ไหนก็ได้เนี่ยปีหนึ่งอีกสามปีมาในจบเหมันอยู่ถ้าอยากจะสป็นนักบวชที่ประสบความสำเร็จ ควรจะทำยังไงบ้างฝาาเนกให้น้อง ก็ต้องประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นนะครับ้นขอให้หลักสิ่งที่เรียนลักสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบก็จะมีชีวิตที่ใช่ชีวิตที่ใช่กับงานที่ชอบใครๆก็ต้องการเช่นนั้นจำคนกลุ่มครูไว้เนะอตอนนี้เราเรียนแล้วนะโอกาสทองของเราคือเราเรียนให้ดีที่สุด เรียนให้ดี่สุดวันถึงเราก็จะมีอนาคตที่ดีที่สเป็นคาสอนเป็นของฝากจากคุณครูริเชียขอบคุณคด้วยครับนอาาคุณใช้เวลามาพอสมควรแล้วะวันนี้อาจารพร้อมกับคุณาคาเรนแจากคุณลลคุณครูริเชียจาก เพชรตีมณเดลสรัฐอเมริกาทีมาดาวที่สามสองรูปและห น, นึคนนะคคงจะได้นาําิมลานพละน้อยมาบอกเราเก้าสิบให้พวกเราพอสมควรแล่ะใครจะเก็บได้บ้านได้น้อยขึ้นอยู่กับสติปัญญาของวกเราเองแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เชิญและเกินว่าวันนี้พวกเราคงจะได้อะไรไปพอสมควร และเชื ch đ đ ่อว่าเด็ืกนมัจะไม่เป็นอีกวันหนึ่งที่ผ่านแล้วก็ผ่านเลยอาจารย์เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างบนเวทีนี้คงจะขอให้เกิดวิธีคิดวิธีมองวิธีใช้ชีวิตให้ถูกต้องและเป็นดังหนึ่งประเทศความนาชีวิตของลูกหลานทุกคนในอนาคตหน้าอาจารย์ก็ขอให้พวกเราเป็นตัในสัาสนดังนั้นดังนั้นสวัสดีครครูบาคารีท่าน่ หนึ่งสองสามธุสาธุสาธุและในพาที่ดนี้ก็ขออํานวยอพรให้พวกเราทุกคนให้มีความสุขให้มีความเจริญทั้งในหน้าที่การงานทั้งในการเรียนรู้ศาและในการดํำรงชีวิตมีความฝันที่เฉลียวฉลาดและทให้เป็นจริงโดยทัาวนาการทุกท่านทุกคนคือ